แนะนำบทอัลอินชิกอกบทอัลอินชิกอกเป็นบทมั ก, กริยามี25องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงภาพลักษณ์ของโลกอาคิระร์โดยวาดภาพให้เห็นถึงความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลขณะที่วันอวสานเกิดขึ้นและบทนี้ได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์และการที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยย่างชีพและความเป็นอยู่ของเขาเพื่อ น, นาไปเสนอในวันอาคิระ์ สิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วความดีหรือความชั่วแล้วณที่นั้นจะมีการตอบแทนอย่างยุติธรรมบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุสลินที่มีต่ออัลกุรอานนี้และได้สาบานว่าพวกเขาจะต้องได้พบกับความน่าหวาดกลัวและความยากลําบากแล้วว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพยันอันตรายและความหวาดวันในวันกียร์มานั้นซึ่งทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลย บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาพวกมุชริกีนโดยที่พวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งๆ ท, ที่มีสัญญาณอันชัดแจ้งและหลักฐานอย่างชัดเจนและได้แจ้งข่าวแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกยานบิิมหนีม ด้วยพระนามของ of, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ, สม อ, อ, อมเอมเื่อชั้นฟ้าได้แตกออกและมันได้เชื่อฟังพระผู้อภิบาลของมันและมันจำต้องทำเช่นนั้นและเมื่อพันดินถูกให้แผกว่าและมันได้คายสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระผู้พิบาลของมันและมันจำต้องทำเช่นนั้นโอมนุษย์เอ๋ยถ้าจริงเจ้าต้องพาเพียรไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้าอย่างทรหดอดทน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 และส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องหลังของเขาแล้วเขาจะร้องเรียกหาความหายนะและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงอัลลอฮฺแค่ใอัลลอฮมสนุรา แท้จริงเขาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี้แท้รรจริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาดบบพึงรู้ถิดว่าแ้าจริงพระผู้านิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมองรู้ถดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ ข้าขอสาบาลด้วยยามตะวันทออแสงและด้วยกลางคืนเมื่อมันรวมมาชุมนุมกันและด้วยดวงจันท์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง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 ไม่ยอมศรัทธาและพระผู้อภิบาลทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว้ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดเถิดนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการการะทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด